วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านสาธุชนพุทธบรยสัต์ได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรม คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้นำมาไปใช้ในการบำบัดทุกข์บำรงสุขให้แก่ชีวิตการที่เราจะบำบัดทุกข์บำรงสุขให้แก่ชีวิตของพวกเราได้เบื้องต้นเราต้องรู้จักว่าชีวิตของเรามีองค์ประกอบอะไรบ้าง ชีวิตของพวกเรานี้ประกอบขึ้นด้วยสององค์ประกอบคือร่างกายและจิตใจร่างกายนี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นกันแต่จิตใจนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็จะคิดว่าเรามีเพียงแต่ร่างกายเพียงส่วนเดียวเท่านั้นส่วนจิตใจเราก็คิดว่าเป็นส่วนประกอบของร่างกายเช่นสมองมแต่ความจริงแล้วความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ส่งค้นพบนั้นท่งค้นพบว่าจิตใจนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งเป็นอีกร่างหนึ่ง ชีวิตของเรานี้มีร่างสองร่างด้วยกันมีร่างกายที่เราเห็นด้วยด้วยตาเปล่าและมีร่างทิพที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของร่างกายแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีเพราะว่าร่างร่างทิพคือใจของเรานี้ ก็คือผู้ที่คิดผู้ที่รู้นี่เอง <S <S พวกเราทุกคนคิดได้รู้ได้เพราะใจไม่ได้คิดได้รู้ได้ด้วยร่างกายร่างกายนี้ไม่มีความสามารถที่จะรู้หรือที่จะคิดเรื่องราวอะไรต่างๆได้ผู้ที่จะรู้และคิดเรื่องราวต่างๆได้ก็คือใจ ดังนั้นชีวิตของเรานั้นความจริงก็เป็นเหมือนกับแฝดสยามนี่เองแฝดสยามนี่มีคนมีเป็นเป็นแฝดเป็นคู่แฝดแต่ร่างกายไม่ได้แยกออกจากกันติดกันอยู่แต่เป็นคนสองคนแต่จำเป็นจะต้องอยู่ด้วยกันไปไหนด้วยกันทำอะไรด้วยกัน ชันใดชีวิตของพวกเรานี้ก็เป็นชีวิตคู่ mm hmm. เป็นชีวิตแฝดเรามีร่างกายและเราก็มีจิตใจคู่ติดกันอยู่อราเรียกว่าใจนี้เป็นพี่ก็ได้ส่วนกายนี้เป็นน้อง mm hmm. เพราะร่างกายนี้จะทําอะไรเองไม่ได้จะต้องรอคําสั่งจากผู้พี่ก่อนคือใจ อย่างเช่นวันนี้ถ้าท่านาใจของท่านไม่ได้สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาที่วัดร่างกายก็จะไม่ได้มาที่วัดแต่พอมีคำสั่งจากใจผู้รู้ผู้คิดร่างกายก็เลยรับทำตามคำสั่งของใจเราจึงมีคำพูดว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวทุกสิ่งทุกอย่าง ที่จะมีการเคลื่อนไหวได้ทางร่างกายจาเป็นที่จะต้องมีใจเป็นผู้สั่งการก่อนอันนี้คือสิ่งที่เราต้องควรที่จะรู้จักว่าเราไม่ได้มีเพียงร่างกายเป็นส่วนเดียวหรือคนเดียวเรามีจิตใจที่เป็นจิตใจที่รล่งหนที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของ ของร่างกายแต่จิตใจนี้เราสามารถมองเห็นได้ด้วยการปฏิบัติจิตตะภาวนาคือการทำใจให้สงบนั่งสมาธิทำใจให้สงบเวลาใจสงบเราจะเห็นว่าร่างกายกับใจนี้จะแยกออกจากกันชั่วคราวอันนี้เป็นสิ่งที่ ถ้าเราอยากจะรู้อยากจะเห็นว่าใจเราเป็นอย่างไรเราต้องฝึกสมาธิล้วเราจะเห็นได้แล้วเราจะรู้ว่าชีวิตของเรานี้ไม่ได้ประกอบเพียงแต่ร่างกายเป็งอย่างเดียวนอกจากร่างกายแล้วเราก็มีจิตใจด้วยและทั้งร่างกายและจิตใจนี้ก็มีทั้งความทุกข์และความสุข ถ้าเราต้องการที่จะให้ร่างกายและจิตใจของเรามีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์เราก็ต้องศึกษาว่าเหตุอะไรที่ทำให้ร่างกายและจิตใจของเราสุขและทุกข์กันเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราศึกษากันที่เรารู้กันอยู่ก็คือเรื่องของร่างกายเรารู้ว่าร่างกายทุกข์เพราะอะไร ถ้าเรารู้ว่าร่างกายของเราสุขเพราะอะไรเรารู้ว่าร่างกายของเราถ้ามีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์คือมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมีย า, ารักษาโรคร่างกายของเราก็จะอยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่ถ้าเวลาใดเราขาดปัจจัยสี่ ปัจจัยใดปัดจจัยหนึ่ง mm hmm. เช่นเวลาที่เราขาดแคลนอาหารเราก็จะเริ่มเห็นความทุกข์ทางร่างกายเกิดขึ้นมา mm hmm. หรือเวลาที่ร่างกายเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมา mm hmm. ถ้าเรามียารักษาเราก็สามารถกําจัดโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายได้ mm hmm. ดังนั้นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องมี สำหรับร่างกายก็คือที่พึ่งของร่างกายที่พึ่งของร่างกายก็คือปัจจัยสี่นี่เองเราจาเป็นที่จะต้องมีอาหารรับประทานกันทุกวันวันละสองสามครั้งด้วยกันหรือ ม, มากกว่านั้นเราต้องมีเครื่องนุ่งหม่มมีเสื้อผ้าไหป้ปกป้องร่างกายปกปิดร่างกายแล้วก็ต้องมี ที่หลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆก็คือที่อยอาศัยในายามที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องมีอยู่มียาหรือมีมีเงินทองที่จะไปรักษาที่โรงพยาบาล น, น, นะนี่คือที่พึ่งทางใจที่จะทําให้ร่างกายของเราอยู่อย่างสุขอย่างสบาย ปราศจากความทุกข์ต่างๆถ้าเกิดก็สามารถที่จะเยียวยาบำบัดได้ทันท่วงทีนี่คือสิ่งแรกที่พวกเราต้องมีกันในการบำบัดความทุกข์ของชีวิตของพวกเราเราต้องมีปัจจัยสี่ต้องมีอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัย มียารักษาเราไว้ดูแลร่างกายของเราอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราคงใจเข้าใจกันเพราะเราทำกันอยู่ทุกวันเรารับประทานอาหารกันทุกวันเราใส่เสื้อผ้ากันทุกวันเราเข้าบ้านเวลาที่เราต้องการที่จะพักผ่อนหลับนอน <S S แลวเวลาเราไม่สบายเราก็มียารักษากัน ร่างกายของเราก็เลยอยู่อย่างสุขอย่างสบายปลอดภัยจากทุกข์ต่างๆส่วนจิตใจของเรานี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องดูแลรักษาเหมือนกับดูแลร่างกายเหมือนกันการดูแลรักษาร่างจิตใจนี้ไม่ให้เกิดความทุกข์ใจต่างๆขึ้นมา ให้ใจอยู่อย่างอย่างร่มเย็นเป็นสุขปราศจากความวิตกกังวลหวาดกลัว<ม>เกิดความเครียดเกิดความซึมเศร้าเกิดความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ต่างๆนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะบำบัดได้กำจัดได้ถ้าเรามีธรรมะคาสั่งคาสอน ของพระพุทธเจ้ามาใช้ในการบําบัดดังนั้นที่พึ่งทางใจของพวกเราก็คือพระพุทธรธรรมพระสงฆ์นี่เองที่เราเรียกพระรัตนตัยที่เราเกล่าวถึงอยู่เรื่อยๆเวลาเราไหว้พระสวดมนต์พุทธังสรนังกชามิธรรมังสรนังกชามิสังขังสรนังกชามิ นี่คือที่พึ่งทางใจอันดับที่หนึ่งเราต้องมีผู้ที่สอนเราให้เรารู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราและให้เรารู้จักวิธีที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขเราต้องมีครูบาอาจารย์นั่นเอง การถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาลณะ น, ะนี้ก็คือการถือพระพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สั่งผู้สอนให้เรารู้จักวิธีที่จะบำบัดความทุกข์ต่างๆและสร้างความสุขต่างๆให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของพวกเราเราจึงต้องมีที่พึ่งทางใจ ที่พึ่งทางใจนี้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วยังต้องมีที่พึ่งทางใจอีกอันหนึ่งที่เราเรียกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตอนถ้าฟังแบบคร้าวๆเราก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ขัดกันไหนเราจะต้องพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ แล้วเราทำไมต้องมาพึ่งอัตตาตัวตนต้องมาพึ่งตนเองด้วยก็เพราะว่าที่พึ่งทางใจนี้แบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือส่วนที่เราจะต้องเรียนรู้วิธีการที่จะบำบัดความทุกข์บำรุงสุขให้แก่จิตใจของพวกเราถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ จะไม่มีใครรู้วิธีบำบัดทุกบำรงสุขให้แก่จิตใจได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้เท่านั้นที่รู้จากวิธีที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่จะสร้างความสุขต่างๆทางด้านจิตใจให้เกิดขึ้นดังนั้นถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้พวกเราจะไม่รู้ จากวิธีบำบัดความทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้อย่างถาวรอย่างราบค้าบ<ม>อาจจะบำบัดกําจัดได้เป็นแบบชั่วครั้งชั่วคราวอาจจะไม่สามารถที่จะกําจัดได้อย่างถาวรเช่น<ม>ถ้าเราไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เรียนรู้วิธีการกําจัดความทุกข์ที่พระเจ้าทรงสอน พวกเราก็มักจะกำจัดความชุกด้วยการไปหาความสุข<ม>เวลาเรามีความไม่สบายใจมีความเหงามีความเศร้ามีความเบื่อหน่าย<ม>เราก็มักจะไปหาความสุขจากการไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆเ<ม>ช่นไปเที่ยวกัน <c oughs> ไปดูมหรสศพบันเทิง <c oughs> ไปงานเลี้ยงต่างๆ <c oughs> ไปกินไปดื่ม ไปสังสรรค์กันอะไรกันซึ่งเป็นการหาความสุขทางกามคุณห้าคือการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดตา่างๆเวลาที่เราได้เสพได้สัมผัสกับการมคุณหาที่เราชอบที่ถูก อ, อกถูกใจเราก็เกิดความสุขเกิดความเพลิดเพลินไปชั่วะระยะหนึ่งแต่หลังจากที่เราหยุดเสพแล้ว พอเรากลับมาบ้านเราก็มาเจอกับสภาพเดิมๆอีกมาคิดถึงเรื่องที่เคยทำให้เราต้องวิตกกังวลเรื่องที่ทำให้เราโศกเศร้าเสียใจมันก็ยังมีอยู่กับใจของเราอยู่ไม่สามารถที่จะกำหนดกำกำจัดไปได้อย่างถาวรกำจัดได้เป็นพักๆไป ตอให้ไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอะไรกันไปซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆที่เรารักเราชอบ <academ ies> ความสุขเหล่านี้มันก็เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเป็นความสุขชั่วขณะที่เราได้เสพได้สัมผัสเน๋ยวหลังจากนั้นมันก็จะหายไปแล้วความทุกข์เก่าที่มีอยู่ในใจของเรามันก็จะปรากฏขึ้นมาอีกออ แต่ถ้าเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์<ม>เป็นผู้สั่งผู้สอนผู้บอกวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆนี้ให้หมดไปจากจิตจากใจใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกเลยนี่คือความสำคัญของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เราถือเป็นสาระ<ม>เป็นที่พึ่งทางใจ คือถือเป็นผู้สั่งผู้สอนเป็นครูเป็นอาจารย์อรพุตเจ้านี้ไม่ได้เป็นผู้วิเศษเพราะว่าท่านมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์อะไรต่างๆแต่ที่ท่านวิเศษเพราะท่านเป็นผู้ตัดสรู้ธรรมเป็นผู้ที่ค้นพบสาเหตุของความทุกข์ของใจว่าเกิดจากอะไรและวิธีกําจัดความทุกข์ของใจนี้จะต้องกําจัด ด้วยอะไรอย่างไร <Yeah. S 1> อันนี้คือความวิเศษของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสู้เรื่องของการ mm. ดับความทุกข์นั้นจะไม่มีใครรู้ได้เลย mm. สารโลกทั้งหลายก็จะตกอยู่ในกองทุกข์ไปเรื่อยๆ mm. ไม่ใช่แต่เฉพาะภพนิชาตินี้เท่านั้น mm. เพราะว่าร่างกายของเรานี้มันก็เป็นของชั่วคราว เดี๋ยวมันก็ถึงวัยที่มันจะต้องถึงแก่ความตายไปแต่ร่างกายร่างกายตายไปแต่ใจของพวกเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของเราเป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายใจของเรานี้แหละที่จะไปได้ร่างกายอันใหม่ต่อไปเพราะใจของเรานี้ยังมีเหตุที่คอยผลักดัน ให้ใจไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆ mm. พอไปเกิดใหม่ก็จะมาเจอกับความทุกข์ในรูปแบบที่เราพบกันในพบนี้ mm. ชาตินี้เหมือนเดิม mm. พอเราไปเกิดเราก็ต้องไปเจอกับความทุกข์ในการที่เราจะต้องต่อสู้ในการดํำรงชีพ mm. ต้องต่อสู้กับการหาสิ่งต่างๆมาเลี้ยงดูร่างกาย mm. แล้วก็ต้องมาคอยปกป้อง รักษาร่างกายแล้วเราก็ยังต้องมาเจอกับความทุกข์ของร่างกายที่จะตามมาต่อไปก็คือร่างกายก็จะต้องมีวันแก่มีวันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็มีวันตายไปในที่สุดแล้วก็ต้องมีการพัดพราาจากบุคคลและสิ่งที่เรารากเราชอบแล้วจะต้องไปประสบพบกับ บุคคลแรือสิ่งต่างๆที่เราไม่รักไม่ชอบอันนี้ก็จะเป็นความทุกข์ที่จะตามมาทุกครั้งที่มีการมาเกิดกันไม่มีใครรู้ว่าทำอย่างไรที่จะทำให้ใจของเราไม่ต้องมาพบมาเจอกับความทุกข์เหล่านี้มีบุคคลเดียวเท่านั้นที่สามารถค้นพบวิธีที่จะยุติการ ที่เราจะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆก็คือพระพุทธเจ้านี่เองพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่ใช่เป็นบุคคลที่จะปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ได้บ่อยนานๆจะมีปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งระยะเวลาที่จะมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้า มาเกิดในโลกนี้แล้วมาบรรลุมามาตัดสู้เรื่องของการดับความทุกนี้จะต้องใช้เวลามากระยะเวลาระหว่างพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้นับเป็นแสนกับ mm hmm. คำว่าแสนกับนี่มันเป็นระยะเวลาที่เราไม่สามารถที่จะเขียนได้ด้วยตัวเลข คำว่าแสนล้านนี่เราอย่างพอที่จะเขียนได้ด้วยตัวเลยแตแสนละแสนกลับนี่มันมันมากมันนานมากจนกระทั่งเราไม่ไม่สามารถที่จะนึกถึงมันได้ว่ามันนานขนาดไหนแต่มันนานมาก น, นานจะมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาตัดสั้นพระธรรมอันปรสริงที่จะ ในเบื้องต้นทำให้จิตใจของพระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์แห่งการเมียนวหา้ตายเกิดได้แล้วหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสัตทรงตัดสรลโแล้วก็จะได้เมตานำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับสั์โลกที่ไม่มีวันที่ไม่มีวันที่จะรู้ได้ด้วยตนเองให้ได้มีโอกาสได้รู้วิธีดับความทุกข์ รู้วิธีหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้อพอหลังจากที่พู้เจ้าได้ท่งนำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่มีความสามารถที่จะน้นอมนำเอาไปปฏิบัติได้แล้วก็จะมีผู้ที่ได้บรรลุได้หลุดพ้นจากความทุกข์เช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้บุคคลเหล่านั้น ก็จะเป็นพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้า<ม>เป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้า<ม>แต่หลุดพ้นได้ด้วยอำนาจทำสั่งํำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าบรรดาพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายทั้งปวงจะไม่มีวันที่จะปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกนี้ได้เลย จะต้องมีพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาก่อนแล้วมีการแสดงธรรมเพื่อสั่งสอนผู้ที่มีความสนใจผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เรียนรู้วิธีกำจัดความทุกข์ยุติความทุกข์ต่างๆาพระอรหันต์นี้จึงมีสองรูปแบบด้วยกันมีพระอรหรรันต์ตัสมาสมพุทธเจ้า แล้วก็มีพระอาหารหันตสาบุกพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คือผู้ที่สามารถทำให้จิตใจของตนหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตนเองเราก็เรียกท่านว่าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า<ม>ส่วนผู้ที่ศึกษาเรียนรู้จากพระพุทธเจ้าแล้วนำมาไปปฏิบัติจนสามารถทำให้จิตใจได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ เราก็เรียกว่าพระอานนันตัสสาวก ค, คำว่าสาวกก็คือผู้ศึกษาผู้รเรียนนี่เองผู้ฟังสาวกกแปลว่าผู้ฟังเป็นผู้ที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหลังจากที่ได้ยินได้เข้าใจวิธีการปฏิบัติแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติพอได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้บรรลุได้กาจัดความทุกข์ได้หยุดความทุกข์ต่าง ได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดก็จะกลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาท่านท่านจะไม่เรียกตัวเองว่าอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านี้มีเพียงองค์เดียวเท่านั้นคือองค์แรกผู้ที่ค้นพบวิธีการดับทุกข์วิธียุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยตนเองหลังจากนั้นแล้ว ผู้ที่มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติอย่างเข้มข้นอย่างเข้มงวด<ม>คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมไม่ช้าก็เร็วก็จะสามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันตสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าได้และการจะเป็นพระอรันตสาวกนี้ก็ไม่จําเป็นว่าจําเป็นจะต้องเป็น นักบวชเพียงอย่างเดียวผู้ที่ไม่เป็นนักบวชถ้าสามารถปฏิบัติตามคําสอนได้ก็าสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้เช่นเดียวกันแต่โอกาสนี้จะยากกว่าผู้ที่เป็นนักบวชเพราะผู้ที่เป็นนักบวชนี้จะมีเวลาให้กับการปฏิบัติได้มากกว่าถ้าเป็นผู้ครองเรือนก็ยังอาจจะมีภารกิจอย่างอื่นต้องทําอยู่ ก็อาจจะทําให้การบรรลุทำการหลุดพ้นจากความทุกนี้ต้องใช้เวลานานกว่าและยากกว่าเหมือนกับเวลาที่เรารักษาโรคภายไข้เจ็บทางร่างกายเรารักษาที่บ้านก็ได้หายามมากินเองก็ได้แต่ถ้าเราไปรักษาที่โรงพยาบาลเราก็อาจจะรักษาให้หายได้เร็วกว่าถ้าเรารักษาที่บ้านเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะไม่พร้อม เท่ากับเครื่องมา้าเครื่องมือที่มีอยู่โรงพยาบาล mm hmm. เวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยมากๆเราจึงมักจะไปที่โรงพยาบาลกัน mm hmm. ฉันใดเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ mm hmm. ก็สามารถหลุดพ้นได้ด้วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นคารวะเป็นนักบวชอันนี้ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่สามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้หรือไม่ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบาตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าได้หรือไม่เท่านั้นเองถ้าสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ไม่ว่าจะเป็นค่าวร่าวาหรือเป็นผู้คลองเรือนก็สามารถบรรลุปเป็นพระอนันตสาวก ข, ของพระพุทธเจ้าได้ในสมัยพระพุทธกาลนี้ก็มีบุคคลหลากหลายหลากหลายสถานภาพส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักบวชเป็นพระที่ได้ บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ก็มีจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นนักบวชแล้วก็เป็นทั้งหญิงเป็นทั้งชายเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็าสามารถที่จะบรรลุหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เช่นเดียวกันประเด็นสำคัญก็คือหนึ่งต้องมีพระ อ, อาจารย์มีผู้สั่งผู้สอนวิธีการศึกษา วิธีการดับความทุกข์ต่างๆที่มีในใจ <c oughs> แล้วหลังจากที่ได้ศึกษาแล้วก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติด้วยตนเอง <c oughs> อันนี้ก็เป็นที่พึ่งที่สองก็คืออัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตอน <c oughs> พระพุทธเจ้าพระปา ร, รียสงสาวโกทั้งหลายไม่สามารถปฏิบัติแทนพวกเราได้ ล้วพวกเราต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องปฏิบัติกันเองด้วยการเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนว่าการที่เราจะใช้การดับทุกข์ของเรานี้เราจะต้องทำอย่างไรบ้าง <c oughs> เมื่อเรารู้แล้ว <c oughs> เราก็นำออกไปปฏิบัติ <c oughs> พระพุทธเจ้าปฏิบัติให้เราไม่ได้ ถ้าปฏิบัติให้พวกเราได้พวกเราป่านนี้ก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันทุกคนแล้วเพียงแต่มีศรัทธาความเชื่อเพียงอย่างเดียวนี้ยังไม่เพียงพอเ ช, ชื่อฟังคําสั่งคําสอนแล้วยังไม่พอเพียงต่อการที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาได้การที่จะบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกได้ต้องมีความเชื่อมีศรัทธาในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้า <c oughs> แล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดอย่างแบบแบบที่เรียกว่าสุปฏิปันโนอุชิวปฏิปันโนยายาปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อกําจัดหรือดับความทุกข์ต่างๆให้หมดเป็นเส้นออกจากใจปฏิบัติอย่างถูกต้องนี่คือลักษณะของ การปฏิบัติสี่ลักษณะด้วยกันที่จะทำให้ผู้ที่ศึกษาผู้ที่มีศรัทธาในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้บรรลุผลคือการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจต้องมีอัตตาหิอัตโนโนา โ, โถทุกคนต้องปฏิบัติ ด, ด้วยตนเองไม่มีใครจะสามารถมาปฏิบัติแทนกันได้ นี่คือที่พึ่งทางใจมีอยู่สองระดับด้วยกันระดับแรกก็คือเราต้องพึ่งคนที่รู้วิธีดับทุกว่าดับอย่างไร<ม>ด้วยการไปศึกษาด้วยการไปเริ่มเรียนเมื่อเราศึกษาได้เริ laugh, ม่มเรียนแล้วเรารู้แล้วว่าเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างเราก็ต้องเป็นผู้ปฏิบัติเองเราต้องเป็นที่พึ่งของตนเอง<ม>อัตตาหิอัตโนนาโถ ไม่มีคนอื่นมาปฏิบัติให้กับเราได้อย่างนั้นถ้าเราต้องการที่จะมีความสุขทางด้านจิตใจกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจสิ่งแรกที่เราต้องทำกันก็คือเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันอยู่เรื่อยๆเข้าหาด้วยการศึกษานี่ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ที่ได้มีจดบันเทิกไว้ในพระไตรปิฎกก็ได้หรือจะศึกษาจากพระอริยสงสารลกรูปใดรูปหนึ่งที่เราเข้าถึงก็ได้แต่ทางที่ดีในเบื้องต้นเราควรจะศึกษาความรู้พื้นฐานที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนเกี่ยวกับวิธีของการดับความทุกข์ว่าดับความทุกข์ได้อย่างไร ซึงก็มีพระสูตรสำคัญสําคัญอยู่สีหพระสูตรที่เราควรจะศึกษากันเพื่อให้เราได้รู้ว่าพระเจ้าทรงสอนวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรเช่นพระสูตรด้นแรกที่พระเจ้าทรงสแสดงครั้งแรกที่เรียกว่าธรรมจากกับปวัตนาสูตรอันนี้ก็เป็นพระสูตรที่สแสดงวิธีสแสดงเรื่องของทุกข์ ว่าความทุกข์เกิดจากอะไรและการที่จะทำให้ความทุกข์หมดไปนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไรก็มีอยู่ในธรรมจักรกับปวัตตสูตรทรงสแสดงอริยาาสัจสคือเรื่องของทุกข์เรื่องของสมุทยัยต้นเหตุของความทุกข์เรื่องของนิโรธเรื่องเรื่องของการทาให้ทุกเรื่องของการหายไปของทุกหมดไปของทุกและเรื่องของมรรคคือ การขั้นตอนของการปฏิบัติที่จะทําให้ทุกหมดไปจากใจอันนี้ทรงแสดงไว้ในธรรมจักกะปวัตนสูตรถ้าเราได้ศึกษาเพียงแต่สูตรนี้สูตรเดียวเราก็จะได้รู้วิธีทางกําจัดทุกแบบคร่าวๆนะแต่ถ้าเราต้องการรู้จักรายละเอียดมากเพิ่มไปกว่า น, นี้เราก็ต้องศึกษาพระสูตรอื่นตามมาเช่นพระ อนันทะรักอนัสสก็ทรงแสดงให้เห็นให้เกิดปัญญาให้เราเห็นว่าการที่เราจะดับความทุกข์ได้เราต้องปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เราปล่อยวางไม่ได้เพราะเราไปหลงไปคิดว่าเป็นเราเป็นของเราแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นเราเป็นของเรามันไม่มีตัวไม่มีตนมันเป็นภาวะทางธรรมชาติปรากฏการทางธรรมชาติเป็นดินน้ำลมใสดีๆนี่เอง แต่เรามองไม่เห็นมันเรากลับไปเห็นว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นข้าวของเงินทองอะไรต่างๆแล้วเราก็ไปยึดไปติดไปครอบครองมันแล้วก็ไปทุกข์กับมันเพราะมันเป็นธรรมชาติที่ไม่แน่นอน ม, มีเกิดด้มันก็มี ก, การดับได้อันนี้ก็ทรงแสดงให้เรารู้จักเรื่องของตายรักษ์เรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาในพระอ น, นันตลักษณะสูตร แล้วก็ ส, สอนวิธีปฏิบัติทำจิตให้มีพลังที่จะสามารถที่จะระ ง, งับความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจได้ดยการสอนวิธีปฏิบัติสติสมาธิและปัญญาในสติปัฏฐานสูตร น, นี่ก็เป็นพระสูตรที่เราควรจะศึกษากัน แล้วก็มีพระสูตรที่สอนให้เรารู้จักขั้นตอนของการดำเนินชีวิตเพื่อสู่การหลุดพ้นอย่างสิ้นเชิงก็คือมงคลสามสิบดมงคลละสูตรการกระทําที่เป็นมงคล3าสบข้อที่จะเป็นเหมือนขั้นบันไดาพาเราขึ้นไปสู่มักผลนิพพานสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ อันนี้คือการศึกษาซึ่งเราควรจะศึกษาอย่างน้อยก็ต้องศึกษาพราะสูตรเหล่านี้เพื่อเราจะได้มีข้อข้ออ้างเองเวลาที่เราไปศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆที่เราคิดว่าท่านเป็นพระอาริยรสงฆ์เป็นพาาระอรหันตสาวกเราก็จะได้มีอะไรมาเปรียบเทียบให้เรารู้ว่าคำสอนของท่านนี้ ตรงตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่หรือขัดขัดต่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่ได้ศึกษาเรียนรู้คำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้ก่อนเวลาเราไปศึกษากับพระอาจารย์ต่างๆเราก็จะไม่แน่ใจหรือเราก็อาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่ท่านสอนนี้มันไปขัดกับคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่แล้วท่านเราไปไปปฏิบัติตาม ก็อาจจะไม่เกิดผลขึ้นมาก็ได้ถ้าเป็นคำสอนที่ขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการศึกษาพราะธรรมคำสอ น, นในเบื้องต้นเราควรจะศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนที่มีบันทึกไว้ในาาพระไตรปิฎกแต่เราไม่จาเป็นจะต้องศึกษาทั้งทั้งหมดทั้งคำพิยังแต่ศึกษาแนวทาง ที่พระเจ้าทรงสอนเกี่ยวกับการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจก็ศึกษาตามพระสูตรเหล่านี้สี่ห้าพระสูตรด้วยกันแล้วก็สามารถที่จะรู้คร่าวๆแล้วว่าถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องเราจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างซึ่งความคำสอนของพระเจ้านี้ถึงแม้จะมีหลากหลายมากมาย ในพระไตรปิฎกนี้มีถึงแปดหมืนสี่พันธรรมบทก็ตามใครก็สามารถสรุปลงได้เป็นหัวข้อใหญ่ๆสามข้อด้วยกัน ท, ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่หลังจากที่ได้ตัดสรุได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วจะนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้กับผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ตามพระ อ, องค์ มีสาหัวข้อใหญ่ๆที่จะเอามาสอนให้ผู้ศึกษาได้ปฏิบัติกันข้อที่หนึ่งก็คือให้ลาการกระทำบาปทั้งปวงเพราะการกระทำบาปเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์ใจนั่นเองข้อที่สองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเพราะการสร้างบุญสร้างกุศลนี้เป็นการสร้างความสุขให้กับจิตใจและข้อที่สาม ให้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะจิตใจที่ไม่สะอาดบริสุทธิ์นี้จะมีเหตุที่จะพาให้จิตใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆสิ่งที่ทำให้ใจไม่สะอาดบริสุทธิ์ก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชานี้เองที่จาเป็นจะต้องได้รับการชาระให้หมดสิ้นไปจากใจเพราะถ้ายังมีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาหลงเหลืออยู่ภายในใจ ก็จะมีมีการไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่เรื่อยๆแต่ถ้ากําจัดความโลภกดหลงให้หมดสิ้นไปจากใจได้แล้วการเวียนว่ายตายเกิดก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาอีกต่อไปจิตของพระพุทธเจ้าจิตของพระรัตนสาวกนี้ท่านกําจัดความโลภโกดหลงหมดสิ้นไปได้ด้วยการชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนา อันนี้คือข้อปฏิบัติสามข้อใหญ่ๆที่เราต้องควรจะเรียนรู้กันว่าถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเราอยากจะมีความสุขทางใจนี้เราควรจะทำอะไรกันบ้างข้อที่หนึ่งก็คือให้เราละ ก, การกระทาบาปทั้งปวงบาปที่นี่ก็คือก็คือการละเมิดศีลห้านี่เองเวลาที่เราไม่รักษาศีลห้าเราละเมิดศีลห้านี้ แสดงว่าเราไปทำบาปแล้วเช่นข้อหนึ่งก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเวลาเราฆ่าสัตว์ไม่ว่าจะสัตว์เล็กสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่ก็ถือว่าเป็นการฆ่าเป็นการละเมิดศีลเป็นการทำบาปเมื่อทำบาปแล้วใจของเราจะมีความทุกข์ใจขึ้นมาไม่สบายใจขึ้นมาข้อสองก็คือ การทําบาปข้อที่สองก็คือการไปลักทรัพย์ของผู้อื่นเอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของผู้อื่นไปโดยที่ไม่ได้รับอนุ ญ, ญาตจากเจ้าของก่อนทําไปแล้วถึงเมื่อจะได้ของมาก็ตามตอนที่ได้มาอาจจะดีใจแต่หลังจากนั้นสักพักหนึ่งก็จะเกิดความวิตกเกิดความกังวลขึ้นมาว่าจะถูกเขาจับได้หรือไม่จะมีคนรู้หรือเปล่าว่าเราไปลักไปครับลักทรัพย์ของผู้อื่นมา ก็จะเกิดความวิตกกังวลเกิดความไม่สบายใจตามมาข้อที่สามก็คือการประพฤติผิดประเพณีการไปร่วมหลับนอนกับสามีภรรยาบุตรธิดาของผู้อื่นโดยที่ไม่ถูกต้องตามหลักประเพณีคือไม่ได้รับฉันทาไม่ได้รับการอนุ ญ, ญาตของผู้ที่เป็นเจ้าของไว้ก่อนอันนี้ทำไปแล้วก็จะเกิดความไม่สบายใจตามมา ข้อที่สี่ก็คือการพูดปดการพูดปดนี้ก็เมื่อพูดปดไปแล้วก็จะทำให้เรารู้สึกไม่สบายใจเพราะกลัวว่าจะมีคนเขาจับเราได้ว่าเราพูดปดนั่นเองแล้วเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือไป <c oughs> รือถ้ามากกว่านั้นถ้าไปพูดปดที่มีมีผลเสียหายมากก็อาจจะต้องถูกจับไปลงโทษติดคุกติดตารางได้อันนี้ก็เป็นการกระทาบาป สข้อส่วนข้อที่ห้านี้คือไม่ให้ดื่มสุรายาเมาของมุ่นเมาต่างๆก็วเวลาที่ดื่มของมุนเมาแล้วจะขาดสติจะไม่สามารถควบคุมการพูดการกระทําการคิดของใจได้คิดอะไรขึ้นมาก็อาจจะปล่อยออกมาเลยคิดไม่ดีก็จะปล่อยออกมาจะพูดไม่ดีจะทําไม่ดีแต่ถ้าเวลาที่ไม่ได้ดื่มสุลายาเมามีสติสัมปชัญญะ พอคิดอะไรไม่ดีก็ระงับได้เพราะรู้ว่าถ้าคิดไม่ดีแล้วปล่อยให้ไปพูดหรือปล่อยไปทํำให้ไปทําไม่ดีแล้วจะต้องเกิดความเสียหายตามมาทั้งกับผู้ที่ถูกกระทําและผู้ที่กระทําเองด้วยนนั้าการดื่มสุรานี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นการกระทํำบาปโดยตรงก็เป็นหนึ่งในข้อห้ามของศีลห้าคือเป็นอบายามุขอบายามุขนี้เป็นเหมือนผู้สนับสนุน ให้ไปกระทำบาปได้ง่ายถ้าไม่ไม่ไม่ได้ดื่มของมึนเมามีสติสัมปชัญญะทำอะไรก็จะมีความระมัดระวังเช่นเวลาขับรถไปไหนมาไหนถ้าถ้าไม่ได้ดื่มสซลาก็จะขับอย่างระมัดระวังแต่ถ้าพอดื่มสุลาเกิดอาการมึนเมาแล้วก็จะขับแบบไม่ระวังทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆตามมาได้ ถึงแม้จะเป็นอาบายมุกแต่ก็เป็นการกระทําที่จะนําความเสียหายสร้างความทุกข์ต่างๆตามมาได้ก็เลยต้องรวมไม่ไปในศีลห้าด้วยถ้าเราอยากจะละ ก, การกระทํำบาปทั้งปวงเราก็ต้องถือศีลห้ากันให้ได้ถือศีลห้านี้ก็ควรจะถือเป็นแบบเป็นนิสัยไปเลยไม่ใช่เพียงแต่ถือแค่วันวันวันหนึ่งหรเวลาใดเวลาหนึ่ง บางคนฉลาดเป็นศรีธ น, นชนชัยจะขอถือศีลห้าตอนเวลานอนนีตอนเวลานอนมันก็รักมันก็ถือได้เพราะเวลานอนไม่ได้ทำอะไรนอนหลับไม่ได้รักขโมยไม่ได้ไปไปรักขโมยไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ไม่ได้ไปเพืพฤติดประเพณีไม่ไปโกหกใครไม่ได้ดื่มของมุ่นเมาแต่่นี่ไม่ใช่เป็นเป็นวิธีการรักษาศีล วิธีรักษาศีนต้องรักษาตอนที่เราตื่นไม่ใช่ตอนที่เราหลับตอนที่เรามีการกระทําอะไรต่างๆถ้าเราถ้าเราไม่อยากจะทําบาปถ้าเราไม่อยากจะสร้างความทุกข์ให้กับใจเราก็ควรที่จะพยายามรักษาศีนให้ได้ตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาที่ไปวัดแล้วก็ไปทําบุญไปสวยสังฆทานพระท่านก็ให้ศีนเราก็รับศีน พอถวายของเสร็จพอออกจากวัดไปก็ทิ้งศีลไว้ที่วัดไม่ได้เอาติดตัวไปด้วยอันนี้ก็ไม่ได้ถือว่าได้ถือศีลอย่างจริงจังการถือศีลอย่างจริงจังต้องถือต้องถือแบบทุกวันทุกเวลาในขณะที่เราตื่นอย่าไปทำบาปถ้าเราไม่ต้องการจะสร้างความทุกข์ให้แก่ จ, จ, จิตใจของเราพยายามอย่าไปทำบาปบาปนี้มันมีทั้งความทุกข์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เวลาทําแล้วใจเราจะทุกข์ใจเราจะไม่สบายใจแล้วก็เวลาที่เราตายไปนี่ร่างกายตายไปแต่ใจของเรายังไม่ได้ตายไม่ได้ตายไปกับร่างกายความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาปก็ยังไม่หมดไปจากใจมันก็จะเริ่มส่งผลตอนที่ร่า ง, างกายตายไปความทุกข์ของใจในขณะที่ไม่มีร่างกายก็จะทําให้ใจไปเกิดในอบาย ไปเกิดเป็นเดรัจฉาน เ, นเป็นเปรตเป็นนรกกายและไปนรกต่อไปเป็นหรือไปนรกอันนี้เป็นผลที่จะตามมาที่เกิดจากการทำบาป mm hmm. ถ้าเราไม่อยากให้จิตใจของเราจะต้องไปเจอกับความทุกข์ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็ต้องพยายามพยายามอยากทำบาปให้ได้ mm hmm. วิธีที่จะทำให้เรา สามารถรักษาศีลไม่ทำบาปได้ก็คือเราต้องมีทีลิโอตปะทิลิก็คือความอายอา ย, อายในการกระทำบาปเพราะการกระทำบาปไม่ได้เป็นสิ่งที่มนุษย์ด้วยการจะยกย่องเชิดชูแต่จะเป็นการตำหนิผู้ใดที่ทำบาปมักจะถูกตำหนิติเตียงเพราะเป็นการกระทำที่ไม่ดี ก็เป็นการกระทาที่ไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นและกับตนเองไม่มีใครยกย่องคนทาบาปมีแต่มีแต่ตาหนิตีเตียนหรือไม่เช่นั้นก็อาจจะต้องจับเข้าไปตักขังบริเวณไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นหรือต้องจับไปติดคุกติดกราลำยงนั้นถ้าเราคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทาบาปทาให้เรากลายเป็นคนที่ไม่น่านับถือ เราถ้าเรามีความอายเราก็จะไม่กล้าทําบาป ก, กันหรือถ้าเรามีโอตปะมีความกลัวในผลของบาปที่เราทําว่ามันทําแล้วมันจะมีแต่โทษตามมาโทษทางใจก็คือใจเราจะทุกข์ไม่สบายใจโทษทางร่างกายเราก็อาจจะถูกจับไปขังคุกขังตารางได้หรือถ้าเป็นโทษโทษหนักก็อาจจะถึงขั้นประหารชีวิตก็ได้แล้วหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจของเราที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ก็จะเป็นผู้ที่ไปรับผลบาปของเราต่อไปถ้าเรามีเฮลิโอตปาแล้ว<ม>เราจะไม่กล้าทำบาปกกเราจะพยายามรักษาศีลกัน<ม>นี่คือข้อที่หนึ่งในการกาจัดความทุกข์ทางใจที่เกิดจากการกระทาบาป<ม>ข้อที่สองถ้าเราอยากจะมีความสุขจากการกระทำของเราก็ให้กระทาบุญ การทำบุญนี้เป็นวิธีการสร้างความสุขให้กับใจที่ดีที่สุดที่ไม่มีไม่มีโทษตามมาความสุขนี้สามารถทำได้ด้วยสองวิธีคือวิธีทำบุญและวิธีไปเสพความสุขทางตาหูจมูกมิ้นไกการไปหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสปวดสะพภภานี้เป็นวิธีการหาความสุขที่มีพิษมีภัยเป็นโทษ กพรการเสบรูปเสียงกลิ่นร้นี้เป็นเหมือนกับการไปเสบยาเสบติดนี่เวลาเราเสบรูปเสียงกลิ่นร้แล้วเราจะติดเราจะต้องไปเสบอยู่เรื่อยๆเวลาที่เราไม่ได้เสบแล้วเราจะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเร้าสร้อย่หงอยเหงาขึ้นมาคนที่ติดเที่ยวคนที่ไปเที่ยวแล้วติดเที่ยวนี้ต้องไปเที่ยวอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้เที่ยวเราจะรู้สึกเหงาจะรู้สึกว้าวเวคนที่ติดอ่า การดูมรรสมหรศพบันเทิงต่างๆเวลาไม่ได้ดูก็จะเกิดความนวดเสกหนวดเหยียดลำคาญใจขึ้นมามันเป็นความสุขที่มีโทษตามมาเป็นความสุขที่เราไม่ควรที่จะเสกกันเพราะเราก็รู้ว่ายาเสพติดเป็นอย่างไรเราไม่กล้าเสกยาเสกติดกันก็เพราะว่าถึงแม้ว่าการเสกยาเสพติด จ, จะให้ความสุขกับเราในขณะที่เสกแต่ความสุขของมันก็เป็นความสุขชั่วคราว อลิศของมันหมดไปความสุขที่ได้จากการเสพยาเสพติดมันก็จะหมดไปแล้วมันก็จะทําให้เราสึกอ้างว้างปาเปล่าเปลี่ยวเดียวดายรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกเศร้าสร้อยง่อยเหงาขึ้นมามันก็จะบังคับให้เราต้องไปเสพอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเราไม่สามารถไปเสพได้มันก็จะทําให้เราทุกข์ทรมานใจขันใดการหาความสุขจากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆก็เป็น วิธีก็เป็นแบบเดียวกันเป็นการไปเสพยาเสพติดไปเที่ยวไปกินไปเด่นไปดูมหาศพ บ, บันเทิงต่างๆหรือไปซื้อข้าวของต่างๆที่ไม่จำเป็นของของฟุ่งเฟือยของหรูหราของเหล่านี้มันไ ม, ม่ไม่ใช่เป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องมีความสุขที่ได้จากมันก็ได้ชั่วขณะที่ได้ได้ตอนที่เราไปซื้อมาเท่านั้นเองหลังจากนั้นแล้วมันก็หมดไป แล้วมันก็จะทําให้เราอยากไปซื้อของใหม่อยู่เรื่อยๆมันก็จะทําให้เราต้องดิ้นรนหาเงินหาทองมาใช้กับการเสพความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอถ้าเราอยากจะหาความสุขแบบที่มีความอิ่มความคอนี้พระเจ้าบอกให้เราไปหาความสุขจากการทําบุญทําทานดีกว่าเวลาเราเอาเงินทองที่เราจะไปเที่ยวไปเสพรูปเสียงกลิ่นรถนี้ไปทําบุญทําทาน เราจะได้ความสุขอีกรูปแบบความสุขที่เกิดจากการที่เราได้ทำได้ให้ความสุขแกผ่ผู้มันเป็นความสุขที่ลึกซึ้งกว่าที่มีน้ำหนักมากกว่าที่จะทำให้เรามีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจเราไม่รู้สึกว่ามีความหิวโหวยจะไม่มีความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวได้หลังจากที่เราเราได้ทำบุญเสร็จแล้วบุญที่เราได้ทาไว้มันก็ยังจะสะสมอยู่ในใจของเรา ความสุขใจอิ่มใจที่เราได้จากการทำบุญทำทานนี้มันก็ยังจะอยู่กับใจของเราไปเรื่อยๆนอกจากจะอยู่ในขณะที่มีชีวิตแล้วหลังจากที่ร่างกายตายไปนี้บุญที่สะสมไว้ในใจมันก็จะพาให้ใจไปอยู่ในสวรรค์ต่อไปอันนี้เป็นการสร้างความสุขให้กับใจที่ถูกต้องที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจ มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ต่อจิตใจดังนั้นเวลาที่เราอยากจะหาความสุขจากการไปเสพรูปเสียงกดลดิ่นรสด้วยการใช้เงินทองซื้อของอะไรต่างๆเราเอาเงินทองที่ไปเสพรูปเสียงกดลิ่นรสนี้มาทำบุญทาทานจะดีกว่าเราจะทำให้จิตใจเรามีความอิ่มมีความสุขวันไหนที่เราไม่ได้ทาบุญเราจะไม่รู้สึกหงุดหยิดไม่รู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดาย บุญเก่าที่เราทำไว้ยังยังมีหล่อเลี้ยงในใจในจิตใจของเราอยู่จะทําให้เราไม่ติดกับการที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ <c oughs> นี้คือวิธีการหาความสุขให้ด้วยการทําบุญทําทานด้วยวิธีการต่างๆการทําบุญทําทานก็สามารถทําได้หลากหลายวิธีทํากับใครก็ได้ทํากับผู้มีพระคุณก่อนเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที ทำก บ, บิดามารดาผูญาติญาติครูบาจารย์ทำบุญกับพระพุทธศาสนาที่มีพระคุณกับเราที่เอาธรรมะอันเลื่อันประเสริฐมาสอนพวกเราให้เรารู้จักวิธีการดับความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเวลาเราได้ทําบุญแล้วจิตใจเราจะมีความสงบมีความสุขมีความเบิกบานใจมีอิ่มความอิ่มใจดีกว่าเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่ม ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัชนิดต่างๆที่ไม่ได้ทําให้เกิดความรู้สึกอิ่มใจสุขใจแต่กลับทําให้เกิดความรู้สึกคิ้วรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายหลังจากที่ได้เสพได้สัมปัตแล้วผ่านไปอันนี้ก็คือเรื่องของการหาความสุขให้กับใจข้อที่สามก็คือถ้าเราเชื่อว่าการเวียนว่ายตายเกิดของเรานี้ เราจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงถ้าเราต้องการที่จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดเพราะการมาเกิดแต่ละครั้งนั้นมันมีแต่ความทุกข์ตามมาเสมอทุกข์ด้วยความแก่เจ็บตายด้วยการพัดภาคจากกันถ้าเราไม่ต้องการที่จะเจอความทุกข์แบบนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกเราก็ต้องชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากใจให้ได้ การที่เราจะกำจัดความรูกกดลนงให้หมดสิ้นไปจากใจนี้เราก็ต้องใช้การเราต้องชำระใจต้องซักพอกใจด้วยการด้วยการปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตะจตะภาวนาการบำเพ็ญจิตตะภาวนานี้ก็คือก็คือการซักพอกจิตใจดีๆนี่จิตใจก็เป็นเหมือนร่างกายร่างกายเราเวลามัน มันสกโปกเราก็ต้องมีการชำระต้องมีการอาบน้ําอาบท่าร่างกายจะได้สะอาดเมื่อร่างกายสะอาดแล้วมันก็จะให้ความรู้สึกที่ดีกับเราอย่างในจิตใจของเราเวลาที่มันสกโปกเวลาที่มันมีความโลภความโกรธความหลงครอบครองอยู่มันก็จะทําให้จิตใจเรามีความเศร้าหมองไม่มีความรู้สึกสดชื่นเบิกบานแต่อย่างใดถ้าเราต้องการให้จิตใจเราสดชื่นเบิกบาน และไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเราก็ต้องพยายามชำระกิเลสตัณหานี้ด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนา mm hmm. คือการทำใจให้สงบเรียกว่าสามถภาวนาเป็นขั้นที่หนึ่ง mm hmm. ขั้นที่สองก็คือทำให้จิตใจฉลาดให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาว่าเป็นตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจเรียกว่าวิปัสนาภาวนา mm hmm. ถ้าเราสามารถปฏิบัต การภาวนาทั้งสองขั้นนี้ได้สำเร็จเราก็จะสามารถกำจัดความโลภความโกรธความหลงต่างๆที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้เมื่อไม่มีความโลภความโกรธความหลงในใจใจของเราสะอาดบริสุทธิ์ใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจของผู้ที่บริสุทธิ์นี้เราก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าก็ได้พระหลนตสาวกก็ได้ขึ้นอยู่กับ ว่าการทำใจให้บยสุวนนี้ทำทำทำได้อย่างไรถ้าทำได้ด้วยตนเองไม่มีใครสอนก็เป็นพระพุทธเจ้าถ้าทำได้ด้วยการนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติอันนี้ก็จะก็จะเป็นอาหารหันตสาวกทั้งสองท่านนี้ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีพราอรหันตสาวกก็ดีท่านไม่มีเหตุที่จะดึงให้จิตใจ ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปแล้วเพราะเหตุที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายนี้ได้ถูกกำจัดด้วยการชำระจิตใจด้วยการปฏิบัติจิตตภาวนาเบื้องต้นก็เจริญสมถะภาวนาก่อนทำจิตใจให้สงบให้เป็นสมาธิก่อนเวลาจิตใจสงบนิ่งแล้วกิเลสปัญหาที่เคยทำงานใน ใ, นใจก็จะต้องหยุดทำงานชั่วคราว ความโลภความโกรธความหลงนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อจิตใจมีความคิดปุุงแต่งพอเราคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้เราก็จะเกิดความโลภขึ้นมาอยากจะได้เขามาโดยถ้าคิดถึงสิ่งของสิ่งนั้นสิ่งนี้ปั๊บเดี๋ยวก็เกิดความโลภตามมาได้แต่ถ้าเราไม่ได้คิดอะไรเลยนี้ความโลภความโกรธความหลงก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้เราก็จะสามารถหยุดความโลภความโกรธความหลงไว้แบบได้ชั่วคราวก่อน ตัดกำลังของมันด้วยการเข้าสมาธิอยู่เรื่อยๆกำลังของความโลภความโกรธความหลงจะค่อยๆเบาลงไปเบาลงไปแล้วถ้าเราอยากจะก ำ, กำจัดความโลภโกรธหลงให้มันหมดสิ้นไปจากใจเราก็ต้องทำตอนที่เราออกจากสมาธิมาตอเราออกจากสมาธิมาแล้วเราเกิดความโลภอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ต้องบอกว่าถ้าไปทำตามความโลภแล้วมันจะพาให้เราต้องกลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆ พาความโลภมันไม่หมดไปจากการทำตามความโลภทำตามความโลภแต่ละครั้งมันจะทำให้เกิดความโลภใหม่ตามมาแล้วจะมีความโลภมากขึ้นตอนต้นอยากได้คืบพอได้คืบแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้สอกพออยากได้สอกแล้วก็อยากจะได้วาความโลภมันจะโผล่ขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเรายังทำตามความโลภอยู่ถ้าเราไม่ต้องการให้ความโลภมันขยายตัวต้องการให้มันหดตัวเราก็อย่าไปทาตามความโลภ ยังถ้าทุกครั้งที่เกิดความโลภแล้วเราฝืนได้อยากไปเที่ยวเราก็ฝืนได้อยากได้นั่นได้นี่เราก็ฝืนได้ไม่เอาเดี๋ยวกะมองว่ามัน <theater> เป็นของชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปหมดไปก็ต้องไปหาใหม่อีกหาใหม่ถ้ายังต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆให้เห็นว่าเนี่ยการทำตามความโลภจะนําพาไปสู่การเกิดเรียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเราไม่ทำตามความโลภต่อไปความโลภมันก็จะหมดไป กำลังไปนั้นยที่สุดใจของเราก็จะไม่มีความโูปหลงเหลืออยู่ในใจต่อไปพ<ม>อไม่มีความโูปความโกรธความหลงหลงเหลืออยู่ในใจแล้วก็จะไม่มีอะไรมาดึงให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจเราก็จะหยุดพ้นจากความทุกข์อย่างสมบูรณ์<ม>เพราะว่าทัา้ถึงแม้ว่าถ้าเราเรายัางต้องกลับมาเกิดถึงแม้จะมาเกิด เกิดด้วยบุญด้วยกุศลเกิดแล้เกิดมาสูงมาเกิดร่ำรวยเกิดมามีความสุขนี้มันก็ยังต้องมาเจอกับความทุกข์อยู่ดีเยวกับความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดเลยก็ต้องชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ต้องฝืนความอยากด้วยสมาธิและด้วยปัญญาถ้าเรามีสมาธิมีปัญญาเราก็จะฝืนคําอยากได้หยุดความอยากได้ เมื่อหมดความอยากแล้วภพชาติของการการเกิดแก่เจ็บตายก็จะสิ้นสุดลงไปไม่มีการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปใ<น>จของพระเจ้าใจของพระาอระานนท์สาวกนี้ท่านได้ชำระจนสะอาดบริสุทธิ์แล้วเป็นใจที่ปราศจากความโลภกดลงล<น>ใจที่ไม่มีความโลภกดลงนี้ใจที่ไม่เกิดนี้เราเรียกว่า น, นิพพานนี่นี่ก็จะเป็นสิ่งที่จะปรากฏขึ้นมา ถาเมีศรัทธาความชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดถือพระรัตนตรัพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูเป็นอาจารย์ศึกษาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และหลังจากนั้นก็นํามาไปปฏิบัติด้วยอัตตาหิอัตโนนาโถถ้าเราทําปฏิบัติแบบสุปฏิปันโนไม่ช้าก็เร็วเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้แล้วก็จะทําให้ใจเราไม่มีความทุกข์อีกต่อไปเราจะมีที่พึ่งที่รักษาใจของเรา ให้อยู่อย่างมีความสุขปราศจากความทุกข์ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดนี่คือผลที่จะเกิดตามมาถ้าเราสามารถสร้างที่พึ่งทางใจให้กับตัวของเราได้ก็คือยึดยึดที่พึ่งคืออันดับแรกยึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็ยึดอัตตาเหตุอั ต, อตนโนธัถเป็นผู้พาให้เราปฏิบัติถ้าเรามีทั้งสองส่วนนี้แล้ว ใจิตใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไปส่วนร่างกายของเราก็จะอยู่ไปตามอัตภาพของมันก็ไปจนกว่ามันจะถึงวันตายพอมันตายแล้วก็ถือว่าจะเป็นร่างกายอันสุดท้ายเราเป็นภพสุดท้ายเป็นชาติสุดท้ายเพราะเราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปอันนี้ก็คือเรื่องการบำบัดทุกข์บำรงสุขของชีวิตของพวกเราที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา อยาขออนุโมทนาให้พร อ, อยาทถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิตูทินางเปตานาังอุปปกปติอิจิตังปัติตังตุมหังคิ ป, ปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกะปา จันโทปณะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาทนศีลิตสะนิจางุฏาปจายโนจตารุธรรมวัฏานเต อ า, า, า, าช่วงต่อไปนี้ก็ช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่สะดวกที่สุดหลังจากเลิกราจะไม่สะดวกที่จะถามต่อ ก, กัน ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้มีผู้รับฟังทาง Facebook 479ท่าน y ย u ทูบพัสุชาติ348ท่าน YouTube ดรว62ท่านคลับเ o า s e 5ท่านวิทยุออนไลน์12ท่านนากวติ207ท่านรวมทั้งหมด 1,113 ท่านครับพระจาร มีคำถามจากทางหน้ากุตินะคะถามว่า น้ำตาของคนที่เวียนไหวตายเกิดหากนํามารวมกันจะมากกว่าน้ําในมหาสมุทรสอบถามว่าน้ําตามากกว่าในมหาสมุทรในคําสอนหมายถึงหนึ่งคนหนึ่งคนร้องไห้ทุกทุกภพทุกชาติที่เกิดมาหรือสองคนทั้งโลกร้องไห้รวมกันในทุกภพทุกชาติมากกว่าน้ําในมหาสมุทรครับโ อ, อ้คนหนึ่งคนน้ําตาของเราเนี่ยที่เราเคยหลังเคยร้องมาเนี่ย ามารวบรวมกันแล้วมันมากยิ่งก่า น, น, น้ำในมหาสมุทรเลยเชิญถามได้พูดใกล้ๆดังๆหน่อยเจ้าค่ะพอดีหนูวันนั้นหนูฟังหลวงพ่อฤาษีลิงดำเทศนาเกี่ยวกับพระเทวทัตที่บอกว่าท่านจะต้องไปรับบาปในนรกถึงจนถึงท่านหมดเวรที่จะต้องรับแล้วก็จะกลับมาเกิดเป็นพระปาัตเจกับพุทธเจ้าหนูเลย ไม่ทราบว่าหนูเข้าใจหนูก็เลยนึกว่าอา้าวงั้นคนเราทุกคนก็จะสามารถถึงนิพพานได้ทุกคนเพียงแต่ว่าคนคนนั้นจะชดใช้กรรมจนหมดแล้วก็หวาดกลัวหรือว่าเบื่อหน่ายต่อทุกขเวทนาในวัฏสงสารหนูเข้าใจถูกต้องไหมคะถูกต้องคนเราทุกคนดวงจิตดวงใจทุกดวงสามารถที่จะไปนิพพานได้ถ้ามีความป่าทะนา ถ้ามีความสามารถปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาได้ก็ไปได้แต่บางช่วงอาจจะไปเจอข้อกรรมต้องไปใช้วิบากกรรมก่อนก็อาจจะต้องพักไปก่อนเช่นถ้าเป็นมนุษย์อาจจะไปติดคุกติดตารางก่อนแล้วก็พอพ้นโทษออกมาแล้วก็ไปบวชก็ได้เจ้าค่ะไม่มีห้าม ทำบาปขนาดไหนก็สามารถไปนิพพานได้แต่ถ้าถึงเวลาของบาปที่ต้องชดใช้มาก่อนก็ต้องชดใช้ไปแต่ถ้าไปถึงนิพพานก่อนที่เวลาบาปจะมามาให้ประชดใช้ก็ไม่ต้องไปชดใช้เช่นองค์คุลิมาลองค์คุลิมาลก็ฆ่าคนต้องเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแต่ไปถึงนิพพานก่อนนิบากกรรมที่จะส่งให้ไปตกนลกก็มาไม่ทันเพราะใจของ ผมคุริมาไปถึงนิพพานก่อนแล้วเจ้าค่ะสุดท้ายนี้หนูขออาราธนาหนูขอพรพระอาจารย์ให้ขอให้พระอาจารย์มีธาตุขันแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพ ร, ร่มสให้ความรู้แก่พวกหนูให้หลุดพ้นจากทุกขเวทนาในโลกค่ะเจ้าค่ะให้แต่ตอา น, นี้ที่มันออกนี้ให้มันหยุดได้ไหมเจ้าค่ะรางกามันก็ดิน้ำโนไฟดีๆนี่ ขอได้แต่มันจะมันจะฟังเรารู้เปล่าต <c oughs> อน้กลับพระอาจารย์เจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะทุกในขณะที่เรายังไม่ตายกับทุกในขณะที่เราตายไปแล้วคือเราไม่มีร่างกายอันไหนมันหนักกว่ากันจ้ะค่ะก็ไม่แน่บางทีทุกที่เราตายไปแล้วจะหนักกว่าก็ได้เป็นตอนคืนเราที่เรานอนหลับแล้วฝันร้ายเนี่ยเวลฝันร้ายนี่บางทีมัน มันมันทุกกว่าตอนที่เราตื่นใช่นั่นแหละเวลาที่เราตายไปแล้วก็อยู่ในโลกของความฝันนี่ไม่สามารถสร้างความฝันที่แบบแสนทรมานอาจจะถูกไปจับเชื่อตัดนิ้วที่ลนิ้วรเียมันไม่น่าหรอกมันจะอันไหนหนักกว่ากันมันแล้วแต่บาปอันไหนมันจะออกผลก่อนกันเลยถ้าบาปหนักออกออกผลก่อนในขณะที่เรามีชีวิตอยู่มันก็หนัก แต่ถ้ามันออกผลตอนที่เราตายไปแล้วก็มันหนักเลยตอนที่เราตายคำถามจากผู้ฝากถามค่ะ หนูมีคำถามสอบถามพระอาจารย์ค่ะหนูเลิกกับแฟนมาหนึ่งปีแล้วแฟนจะขอบวชตอนนั้นเกิดอนุโมทนาบุญมากๆค่ะแต่เวลาผ่านไปเขากลับไปมีครอบครัวหนูรู้สึกคิดโกรธวนเวียนมานานเป็นตัวหนูเองที่ทุกข์และก้าวไม่ข้ามขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ด้วยค่ะเพราะเรายังไปห่วงเขาอยู่เลยนะีย เขาไม่ได้เป็นของเราแล้วเราเสียสละไปแล้วเหมือนใส่บาตรใส่บาตรไปแล้วผ้าเอาไปให้หมากินเราก็ไปโกดผ้าอีกจากคุณวุฒิชัยค่ะ เขากราบสอบถามพระอาจารย์เหตุที่พระอาจารย์ให้ใช้ปัญญาต่อจากหลังออกจากสมาธิเพราะว่าในตอนนั้นกิเลสของเรากำลังเบาบางจึงทำให้ปัญญาที่เราพิจารณาอยู่จะมีน้ำหนักและแจ่มแจ้งดีกว่าถูกต้องไหมครับม่ส่วนแล้วก็กำลังของเราที่จะหยุดกิเลสก็มีมากกว่าตอนที่ออกจากสมาธิมาใหม่ๆแต่ถ้าออกมาสักพักหนึ่งแล้วดี่วกิเลสมันมีกาลังมากขึ้น จิตใจเราก็มีกำลังอ่อนลงก็อาจจะสู้มันไม่ได้ก็ต้องกลับเข้าไปในสมาธิใหม่ก่อนเจ้คุณพรพัฒค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้าเราบริจาคทานแล้วไม่ได้อธิษฐานบุญนั้นจะไปอยู่ที่ใดเจ้าคะอทีใใ่ใจเราที่ใจเรา จากคุณใจเป็นธรรมค่ะกาบเรียนธรรมพระอาจารย์จิตที่ดับไปแล้วกับจิตที่เกิดขึ้นใหม่ดวงเดียวกันหรือเปล่าครับจิตไม่เกิดไม่ดับเนาะ <c oughs> ที่เกิดดับก็คืออารมณ์ต่างๆที่อยู่ในจิตมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอารมณ์อารมณ์ดีบ้างอารมณ์เศร้าบ้างมันสลับไปสลับมามันถึงเรียกว่าเกิดดับเกิดดับแต่ตัวจิตเองนี้มันไม่ดับตัวจิตก็เหมือนกับจอโทรทัศน์จอโทรศัพท์มือถือนี่ จอมันก็มีอยู่ตลอดเวลาแต่ภาพที่ในจอมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคำถามต่อไปเจ้าค่ะกับนิมถามพระอาจารย์เลือกการรักษาสินห้าเจ้าค่ะก็รักษาคือสิ่ก็อย่าไปฆ่าสัตว์รักษาประพฤตประเพณีพูดปดเดือดสุรายาเมานี่ก็คือการรักษาสินห้า จากท่านต่อไปค่ะจากที่พระอาจารย์ได้กล่าวไปว่าบางคนเป็นสีถนนชัยรักษาสินห้าตอนหลับขอขอหลักการรักษาสินห้าที่ไม่เป็นสีถนนชัยเจ้าค่ะเพราะแอ บ, บคิดตามว่าถ้าอย่างนั้นนักโทษที่ติดคุกก็จะรักษาสินห้าได้แม้จะไม่ได้ตั้งใจใช่หรือไม่คะก็ได้แต่ม่นานจะได้เพราะถูกบังคับไม่ให้ไปทาทาบาป พอออกจากคุกมาก็อาจจะไปทำใหม่ก็ได้แต่ถ้ารักษาสินาด้วยความยินดีด้วยความตั้งใจด้วยความด้วยความกลัวบาปนี้มันจะมันจะรักษาได้ตลอดแม้ว่าจะอยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุก คนหนึ่งหรือไทยค่ะกราบนำ้ำระสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอสอบถามว่าจะก่อสร้างบ้านมีความจําเป็นที่จะต้องมีพิธีกรรมยกเสาเอศและถวายเครื่องบูชาต่างๆไหมเจ้าค้ากราบขอพระคุณค่ะมันก็อยู่ที่ความความเชื่อของเจ้าของบ้านนะเจ้าของบ้านเขาเชื่อก็ปล่อยเขาทําไปเพื่อความสบายใจเท่านั้นเองแต่ไม่มีผลจริงๆแต่อย่างใดจากคุณแพรค่ะ อยากถามเรื่องกระดูกของคนตายควรเอาไปลอยอังคารทั่วหมดหรือเก็บไว้ในธาตุเจ้าคะก็แล้วแต่เราถ้าเราอยากจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็เก็บไว้ถ้าไม่อยากจะเก็บไว้เป็นทาระก็เอาไปลอยอังคารหรือไปฝังดินที่ไหนก็ได้ <c oughs> คำถามจากคุณป้อมคะ่ะสอบถามครับ พระปัจเจกพระพุทธเจ้าบำเพ็ญนานกว่าพระอาหารหันต์หมดทุกเหมือนกันเพราะอะไรต้องมีปัจเจกพระพุทธเจ้าขึ้นมาครับในห้วงเวลาพุทธทันดรนเจ้าค่ก็คือผู้ที่มาเป็นพระพุทธเจ้าบางรูปท่านไม่สอนใครก็เลยท่านอาจจะเป็นใบก็ได้ศูนท่านตัดสินเป็นพระพุทธเจ้าแต่ท่านเป็นใบพูดพูดไม่ได้ ก็ไม่สามารถเอาธรรมะมาสอนกับใครได้หรือว่าท่านพูดได้แต่คนฟังเป็นคนหัวหัวกนีมน้มันก็สอนไม่ได้ก็เลยเป็นพระประเจ ก, กับพุทธเจ้าไปาหมดแล้ว <Okay. S 1> <Okay. S 2> มีใครอยากจะถามไหม mm hmm. ยกมื อ, อเข้ามาอะไรก็ได้เข้ามาพูดอะไรก็ได้แร้วจะพูดเองรืจะให้เขาอ่านให้ก็ได้ กย่างมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะพูดแค่ใกล้ปลากหน่อยไม่ดังหน่อยให้ต้องกลมอ่ะให้ต้องที่เป็นหัวกลมๆอ่ะตรงไหนใช่ไหมคะค่ะโยมเข้าใจอุเบกขาในการปฏิบัตินะคะโยมได้ฝึก อ, อ, อุเบกขากายในกายจิตในจิตนะคะทีนี้เมื่อกรณีที่ พระครูบาอาจารย์ที่บอกว่าเมื่อเราเห็นการในกายยมคือกระดูกด้างในแล้วให้เห็นพิจารณาว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแต่ทีนี้โยมในใจโยมอะแค่ทราบรู้ภายนอกว่าน่ารังเกียจแต่โยมไม่ได้ลึกถึงในใจมากเพราะก่ด้วยกว่าเป็นอุเบกขาโยมปล่อยวางเฉยๆที่เป็นอุเบกขาที่มีกำลังมาก มากกว่าความดังเกีิโยมไม่ทราบว่าเราต้องพิจารณาความบังเกีิจมากกว่าไม่เจ้าคะถ้าเราปล่อยวางได้เราก็ไม่ต้องพิจารณาถ้าเราเห็นร่างกายที่เราคิดว่าสวยงามพอเราเห็นโครงกระดูกของเขาเราก็ไม่ได้ไปมีความรักมีความยินดีในร่างกายของเขาล้วก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้เจ้าคะเป้าหมายก็คือให้เราปล่อยวางอย่าไปรักอย่าไปชังร่างกายของคนอื่น เจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะจากคุณสิริชัยค่ะกล่าวสอบถามพระอาจารย์ครับผู้รู้รู้ว่าจิตไปคิดเราจะฝึกจิตที่ไปคิดให้ให้คิดไปอย่างไรครับบงตอนแรกก็ต้องหยุดคิดให้ได้ก่อนถ้าหยุดคิดไม่ได้จะสั่งให้จิตคิดไปในทางปัญญาก็คิดไม่ได้เหมือนขับรถเนี่ย ถ้าเราวิ่งไปแล้วเราอยากจะกลับรถเราก็ต้องหยุดรถก่อนยูเทิร์นถ้าไม่มีสะพานยูเทิร์นประมาณนี้มีสะพานยูเทิร์นก็ไม่ต้องหยุดรถแต่ถ้าต้องไปกลับรถกลางถนนนี่ก็ต้องหยุดรถก่อนแล้วก็เลี้ยวกลับมาอีกทางหนึงฉันใดความคิดของเรามักจะคิดไปทางกิเลสคิดไปทางความโลภความกอดความหลงอยู่เรื่อยๆถ้าเราต้องการให้คิดไปทางปัญญาไม่โลภไม่กดไม่หลงเราก็ต้องหยุดคิดก่อน อยู่แล้วเขาสอนาต่อไปนี้อย่าไปโลภอย่าไปโกรธอย่าไปหลงขับอะไรเพราะทุกอย่างมันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา mm hmm. มันก็จะทิศทางปัญญาต่อไปได้ <c oughs> <c oughs> ยัไม่มีนะโอเคถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เอาท่านนี้ก่อนสําหรับวันนี้ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ